ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเคยฟังหลวงพ่อกำเขียนท่านปาลารบธรรมะมีคำบางคำได้ฟังแล้วมันไพเลาะเนี่ยสละสะลวยทีเดียวหลวงพ่อบอกว่าการทำกรรมฐานเนี่ยคอยเรามีความจเจตนาที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ใส่ใจที่จะรู้ เจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้มันเป็นทั้งความเพียรและก็ความรู้สึกตัวเลยแล้วต่อจากนั้นหลวงพ่อกระเทศต่อไปว่าให้ทำแบบเล่นๆให้ทำเล่นๆอย่าไปทำแบบจริงจังหน้าดำค่เคล่งอย่าไปเอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผล ทำแบบปล่อยๆวางๆอย่าไปยึดมั่นถือมั่นรู้อะไรก็ปล่อยไปรู้อะไรก็ปล่อยไปคําพูดพวกเนี้ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันไปเลาะสลักส ร, สรวอย่างเช่นคาว่าให้มีเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้เนี่ยชอบสองคำเนี่ยเพราะมากเลยเจตนาที่จะเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้มันเป็นทั้งสติเป็นทั้งความเพียร แต่ทั้งความรู้สึกตัวเลยก็เลยประทับใจเนี่ยคำสอนของท่านในบทนี้ที่จริงการทำกรรมฐานแบบเจตนาเคลื่อนไหวใส่ใจจิจารุเนี่ยมันยังกับหลวงพ่อจะสอนเรามันไม่คำสรุปเลยเนยะผมสรุปเลยนะเนี่ยว่าการทำกรรมฐานเนี่ยให้ทำที่ความ จริงใจแต่อย่าจริงจังอะไรทำนองนั้นแหละ